พ่อพานดึกว่าวเลยบ่งจากขโมยยืนเดน้พอยัง่าวเลยเลย่ยอเข้าอ่าเจริญพรนำมาตรการเรของพ่อคุณครูวายจารแต่ตนดทึงพี่ทูกนิ่ทุก้ทกัน ในเรื่องพลุกพลิ้ววิกาและยัติธรรมทุกๆหลักให้เอาลงลงลึกค่ะตามสบายเพราะเราก็เข้ามาศึกษาชีวิตชีวิตของเราตั้งแต่ก่อนเราเคยเป็นคนหลง เกิดมาเนี่ยก็เนื่องามันดับมันดีก็รอดเรียแลนเเป็นคนนะมันมาเข้าใจแล้วโอ้มันเกิดมาหาความทุกข์ให้ตัวเองทั้งนั้นแหละนื่ว่ามันถูกต้องทำอะไรมีเป็นบาปไปทั้งหมดเลยเคำว่าทำหมุนก็เอาสิ่งที่มาอ ม, ามากันมือนหูมือตามไ่ได้ กินแวกินีกินแล้กินอีกไม่รู้อยากอิ่มไม่รู้อยากพอเอาหน้ามอไม้อมกันไปขาขาดสัตว์ตัดทิพย์ตาพระตั้งแต่มันจะเป็นไปพอมาดูแล้วโอ้น่าสงสารเวทนาเกิดมาแหวนว่าจะเอานิพพานหมดทุกคนเนลยแต่ว่ามินิพพานนิพพานในตายไปจรงจะได้เห็นมันจะได้ไปเอา อย่าคิดคยาไม่คิดผิดไปหมดแต่ที่จริงนั่นแะเราขมาสร้างอย่างนี่แหละสร้างหมดอยู่ในคนเป็นคนเนี่ยต้องให้มารู้จั ก, จกเข้าใจหมดแล้วเป็นอะไรก็เป็นหมดทุกอย่างที่เรามาเป็นคนเนี่ยสร้างอะไรขึ้นไ ป, ไปขึ้นไว้ล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจถ้าเราขมาฝึกดีๆถ้าเราไม่มาฝึกเราก็ไม่เห็นละลก็อยู่เหมือนเดิมเพราะมาสร้างกรรมให้ตัวเอง สองข้อว่านี่มักตั้งกรรมมาตอย่างแท้ทําอ ะ, ทอะไรมันจะให้มันพ้นบาปไปก็ไม่มีมีแต่ไปนอนตายที่นั่นแหล ะ, ะไปไหนก็ไปลงแห่งเดียวทําดีก็ไปแห่งเดียวทําชั่วก็ไปแห่งเดียวเนี่ยมันมันเป็นนั่นแต่ว่าแล้วไม่เห็นความเข้าใจก็ว่ามันดีแล้วล่ะเพิ่งว่าวันนี้เดีดยวนี้แล้วทางา น, นทําบุญอย่า ง, างพออกพอใจแล้ว ยึงไดอย่างใดก็ได้ไปนิพพานแน่นอนมุ่งได้ทำแล้วก็ดีกด อ, อกดีใจแต่ไปถามพอบวชเข้ามาถามกูว่าแล้วโอ้เนี่ยทบุญนี่มันจะได้มากเท่าไหร่ที่กรรมธรรมที่อย่างพวกพวกโยาามญาติโยมเขาทำบุญมหากรทินหรือว่าเป็นบวชนากากับพวกสังเคานาอย่างเนี้ยถามทัน ก็ท่าได้เท่าที่ทำนั่นแหละท่านว่าอย่างนั้นทำที่ใดทำเท่าที่ท่านนนัเท่าที่ได้เท่าที่ทำนั้นอะไรบ้างหลวงพ่อพูดให้ผมฟังหน่อยทางพูดให้ฟังทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเราไปทำทุกวันนี่มันก็ได้นั่นแหละได้ได้ได้ทุกอย่างนั่นแหละคือได้ ถ้าจับผู้ใช้ฟังก็มันก็คือว่าคล้ายๆกับเอาขี้เต็ดไปร่างขี้ไก่ท่านวางนั้นขนาะได้ได้ก็ได้อย่างนั้นแหละท่านวางนั้นท่านก็ได้เป็นของหอมของหวานของอะไรดีๆนี่มันกน้อยมามาคิดแล้วโอ้พอมาละมาพึ่ปฏิบัติเนี่ยหน้าหน้าหน้าสบาดเจียวน้ําก้น ที่เราทําไปนะ่ะถ้าเราไม่มาทําแบบนี้เราก็จะไม่เข้าใจมาทําแบบนี้เราเข้าใจเห็นหมดเลยจิตนิวิตจิตใจของเรานี่มันจะหมุนเวียนไปที่ไหนเราก็เห็นเราก็เข้าใจแล้วก็ออกจากทุกข์ได้มันคิดอไปรักไปชังไปอ ย, ไ อ, ยงอยากได้อย่างนั้านอยากได้อย่างนี้ปรัถนาอ้อนวอนไปก็มีมันมันอยากได้ไป เราปรารถนาเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ดอกถ้าเราไม่ได้ทํามอต้องทําให้มันได้ต้องทําให้ดูจิตดูใจตัวเองเนี่ยมันโกรธขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นอันของดีไปซะอย่าจะไปเอาของที่ไม่ดีมาไว้ใส่จิตใสใจให้ตัวเองคือความอันบาปนี่คือความชั่วของเรานั่นแหละ ทำลงไปแล้วมันก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จองเวีนจองกรรมกันไปเรื่อยๆไปไม่รู้จักออกยิ่งคิดก็ยิ่งคออกพอใจเต็มอกเต็มใจที่จะคิดไปเพลิดเพลินไปกับมันพอเรามาปฏิพฤติปฏิบัติแล้วก็มาเห็นจิตเส็นใจตัวเองโอยเอามาเทียบกับผิงที่เราเคยทำมา แล้วกับเดี่ยวนี่อ่ะมันมันไม่เห็นเลยแหละเพราะฉะนั้นทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยเป็นยอดบุญยอดกุศลอยู่ใมนมันเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยก็จริงแต่ว่าเราเน่าจะไปให้เหมือนพวกเรามาอย่างนี้มันไม่เหมือนดอกเออพะเรามาอย่างนี้นั่นรู้สึกว่าดีมากที่สุดเลยหาแนวสิ่งที่เปรียบไม่ได้ เพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยหวังดีแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะได้ไปง่ายๆไปนิพพานเราก็ต้องมามันขยันหมั่นเพียรที่เราทําอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวนี้เราทําไปจนหมดความสามารถแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดกิเลสตัณหาเราก็ยังได้เกิดย่อไปได้ได้เกิดได้ได้ตายไปอีกไปตายไปก็ไปเข้าไปล่างกรรมร่างเวรของตัวเองนั่นแหละ แต่พอหมดแล้วก็ได้กลับขึ้นมาอีกก็มาท้าสร้างขึ้นอีกแต่บุญที่เราทําไว้น่ะนะจอคําจุนหนุนส่งให้เราไปขึ้นสูงเรื่อรๆไปไม่ได้ทุกยากลําบากเหมือนที่เราเกิดมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้จะดีกว่านี้ไปอีกได้เรื่อยๆไปเพราะเราบุญทําบุญไว้แล้วเราขึ้นจากทิ้งที่โตกปกสมมตขึ้นมาตั้งหลายแล้ว เราก็ได้ขึ้นไปตามบุญของเราที่ทําไว้อันนี้เคลียแน่ว่าการกระทําของเราคือจิตใจของเรานั่นแหละมันดีมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่จองเวน้นจองกรรมกันไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จากอิ่มไม่รู้จักเบื่เอเนี่ยแต่จะให้ดีกว่าเขาให้เลือดเขาเขาให้ดังกว่าเขาแข่งกันเขาก็เจ๋งเขาโตโตเขแข่งเขาต่างคนต่างปลูกมัดตัวเองเท้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นเขาได้เหมือนเดวะแล้วว่าเขา พี่เราว่าเขาไปนั่นแหละเราก็ได้เป็นของเขาเป็นของเรานั่นแหละมันมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนใดที่เคยมาพิสปิบัติเนี่ยจะเห็นดีถ้ามีคนอื่นมาว่าเนี่ยเราก็แก้ตัวไปเขารักเขารักลังเกียดเราเราก็ไม่ต้องบังเกีิดเขาเขาว่าเราเขาดูถูกนินทาเราให้เราไม่ดูตัวเอง ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาว่าแล้วก็หยุดหยุดละอย่าไปเป็นเขาสอนเราก็ว่าได้โอ้คุณนี่เป็นขนาดนะเนาะมาดูแล้วถ้าตัวเองไม่เป็นเอ๊ะไม่เป็นนะว่าอย่างนี้ก็เราก็อย่ไปปากจะไปเสียงขอเป็นของเขาหมดนั่นแหละใครทําอะไรใครได้อันนั้นอย่าไปเคี่ย์การกระทําของตัวเองเพราะฉะนั้นเรามานี่ก็ มาประพฤติปฏิบัติให้มันได้ความก่อแก่ความเป็นผีความเป็นเปดความเป็นสัตว์โรกเปรตอสุรกายสารพัดทั้งแต่มาเกิดอยู่ในเมืองคนเนี่ยเราสร้างขึ้นหมดอละทั้งเป็นผีเป็นพรามเป็นอะไรอยู่ในร่างกายของเราหมดเลยในกิใจของเราหมดเราสร้างกันมาเองไปด่าไปว่าไปสี่ินินทาคนไปเทียงพ่อเถียงแม่เถียงพี่เที่ยงน้องเทียงอะไรไม่ว่าลไปหลังเกีัคนนี้เราสร้างเองหมดเลยนอนคิดนอนฝัน ก็ยังไปอุดซา ح, ไปใส่ร้ายไปตีคนนั้นคนนี้ว่าค น, นนั้นไม่ดีคน น, นี้นี่ดีเพืงยอ่อยกย่อสนเสริญทั้งดูถูกอินทาสารพัดแตนจะเกิดขึ้นเป็นอดีตก็ตามน อ, น อ, นอนาคตก็ตามมันจะเป็นอยู่นั้นมันได้ได้ไปตลอดจนมาตายถ้าไม่มาแบบนี้เราจะสั้งกรรมของตัวเองจนตายไปเลยเกิดมาก็กว่าจะได้มาเปิเป็นคนนี้ก็เลยจะว่าจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดอีกก็ไม่ทราบเพราะว่ามัน ไม่รู้ว่าจากขี่ชาติขี่กรรมตั้งแต่เราสร้างลงไปเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเอาเขามาเป็นอาหารเท่าตายให้คิดว่างเนี่ยทำสร้างบาปเนี่สร้างจนตายถ้าเราไม่รู้จักอะ่ะถ้าเรามาเข้าวัดเข้าว่ายัางนี่เราก็พอจะล้างสิ่งที่สกปรกออกจากจิตใจใจของอเราไปคือเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ย มันจะไปทำอะไรสิ่งๆที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเห็นเราเองเห็นแล้วเราก็กลัวว่ัวแล้วก็ไม่กล้าทำอีกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยฆ่าเคยอะไรตั้งแต่ก่อนพอเข้ามาทำสร้างจังหวะเดินโยกมนีแหละพอไปเห็นชีวิตใจิตใจของตัวเองมันก็ไม่กล้าทำมันก็เลยหยุดไปเฉ <ๆ S 1> ยๆถ้าคนอื่นไม่มาทำให้กินทําไม่ได้กินหรอกอย่างบ้านหวอนี่ไม่มีคนฆ่าสัตว์เหมือนกัน ได้ปูได้ปลามาครบก็ได้ไมยทางนั่นแหละว่าเขาไปหามาพวกโยกโยกเขาก็ถือแบบเดียวกันหมดเลยกินยากอยู่มีคนหนึ่งพอไปเลี้ยงเป็นเลี้ยงวัวเอาวัวมาบ้านพอได้ทำอาหารให้ให้พวกที่มาวัดนี่กินเนี่ยมันเป็นนั้น ทำอะไรนั้นถ้าตั้งอกตั้งใจทําได้ตอนเราเป็นคนนี้แหละถ้าทําทอะไรมดทุกอย่างเราต้องให้รู้จักตอนเราเกิดมาเป็นคนในชาตินี้ถ้าชาตินี้เราไม่เห็นไม่เราไมไ <ป S 1> ไ่มาศึกษาเราเรียนใ<ด>นสิ่งนี้เราก็ไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นเราเล่าเขไม่พ่อไปไปพบหละของจริงอ่ะไปเจอแต่ของปลอมๆนั่นแหละแต่ตามฐานะตัวเป็นอยู่นั้นนะเพราะฉะนั้นแท้ตั้งอกตั้งใจให้มีอกมีใจทํา อย่าไปปล่อยทิ้งอย่าไปละทิ้งให้เราอุตส่าห์พยายามรักตัวเองอย่าไปดูทุกข์มประมาทตัวเองคนโดยมากน่ไม่มีคนใดจะมาให้ทำให้เราทุกข์เลยมีแต่เราทำของตัวเองทั้งนั้นเนละเกิดมาเดี๋ยวนี้เกิดมาเนี่ยชาติไหนก็เหมือนกันไม่มีใครจะมาทำให้เราเป็นทุกข์สักคนเดียวเลยมีแต่เราเนันเป็นบ้า ไปทำทำเอาเองทำเอาเองอะอย่างที่เป็นผีเป็นเป็ดเป็นมารเป็นอะไรนี่แหละตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเคยไปรักสิ่งรักของเคยไปตีไปอะไรไปคุมตีคุมยิงกันเราก็มาคิดเห็นอารมณ์ตัวเองโอ้ยอันนี้กูก็ได้สร้างมาแล้วนาะอันนี้กูก็ได้สร้างมาแล้วนาะทุกอย่างมันเป็นหมดทุกอย่างเลเคยทํามาหมดแล้ว นี่แหนะละบวชเนี่ยนัาว่าหลวงพ่อได้บุญมากที่สุดคือว่ามาตัดกรรมตัดเบีนตั้งแต่ที่หลวงพ่อมาบวชเนี่ยไม่เคยได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีได้ฆ่าเยื่อน่ยนี่ก็แต่ยุงนั้นแหละคงจะไม่บาปมากไปไหนเท่าไรหรอกเนะวากลามันกัดก็ตีไปฟังดียมันตายตายก็ทั้างหวาัวมันแหละ อ้ ال, า, า, ามวมันจตั้งใจไม่ทันได้เด้มันแต่มันไ่ทันนี่่สติันเป็นโดนห่อมาเทปแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็บ่ายได้เลยนะคลีสิทอดเนี่ยนี่แหละไปฝันอ oh ันในเป็นอะไรแม่ที่เรานอนฝันไปมันก็กล้าสิ่งที่แม่ไม่ไม่แม่ไม่นาจะทำมันก็ไม่กล้าทำอ่า มันก็นั่นแหละพอไปเห็นความคิดตัวเองแหละคิดไปเห็นอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นอย่างนั้นหนึ่งนี่พอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะไม่ออกเอาเลยความคิดเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะขาดออกไปโหลดพอเราเห็นนี่มันก็หยุดหยุดไปเลยเนี่ยโอ้อันนี้นี่นี่ยกรรมที่เราสร้างไว้เ่มันไปเห็นตัวความคิดมันคิดขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วมันก็ขาดไปขาดไป ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติถ้าเราเห็นความคิดเนี่ยนึกว่าเราออกจากทุกข์ได้แน่นอนเป็นอย่างอะไรก็ตามรํำคันเท่าไรก็ตามถ้าเราออกจากความคิดไม่ได้เนี่ยมันจะออกจากทุกข์ไม่ได้เลยความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมารวมกันเนี่ยบอกว่ามันความคิดเนี่เป็นใหญ่ของเขาเลยถ้าเราเห็นความคิดเนี่ยไม่ไปอยู่ในความคิดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไร โย่เกิดโย่ก้อนน้นก็หายนี่พอคิดเห็นความอาฆาตกันมาเนี่ยพอเห็นแล้วแล้วก็หมดไปขาดออกไปเฉยมันไม่มีตีโพยตีพายอะไรเนี่ยเาเรียกว่าเป็นมหาสตินีมันให้เราพยายามทำให้ได้เนี่ยออกจากเวรจากกรรมเนีจิตใจของเราก็สว่างสวยไปทำการ ทำอยูเนี่ยมันก็ยากตั้งแต่ที่เรายังไม่รู้จักนั่นแหละพอเราเข้าใจแล้วมันก็ค่อยแก้ไขตัวเองพอเห็นเท่าทันเข้าเท่าทันเข้ามันก็ค่อยสว่างสวยออกแต่ความมันจะออกได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆเพราะเอาตัวนั่นแหละเอาตัวเป็นตัวตายนั่นแหละตายก็ตายยังก็ยังตุเลแต่มันเจ็บๆจะปวดจะเหนื่อยอะไรก็ตามให้พยายามทนเอาเกิดเทละอันเนี่มัน แทบจำไม่เห็นเนี่ยมันจะว่า ม, มันจะไม่รู้อะไรแหละว่าจะหนีคือขึ้นมาเนี่ยเก็บก็เก็บมากปวดก็ปวดมากไม่ว่าแช้งว่าขาตนตัวเราเนี่ยหนักไปหมดเลยก็ว่าสาวพยายามไปเอาไปมามันจะค่อยเห็นครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าถ้ามันเป็นเข้ามาแบบนั้นแบบนี้ต้องแก้แบบนั้นแบบนี้ท่านบอกให้ม่อยู่กับตัวรู้สึกค่อยจเจริญไปประเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็ นพอได้ยินพอเด้เข้าใจก็ไปทํามันก็ค่อยออกหนีไปออกหนีไปค่อยเบาไปบาไ ป, ไ ป, ไปก็เป็นปกตินี่นั่นแหละมันค่อยเห็นเข้าเห็เข้าไมันี่มันที่แรกนี่มันก็เห็นแล้วก็มันมันเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยเรื่อยแต่ว่าเราเนี่ยนะมีส ต, ติตั้งมั่นไว้อะไรเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเ ห, ห็นปั๊บมันก็ขาดปับ๊บเพลินปั๊บไปมันก็ขาดปั๊บ แต่พอมันเห็นเขา้ามากๆเข้ามาค่อยถอยออกถอยออกก่อนยานไปเนีพอมันเห็นก็เกิดมาแล้วก็เห็นเห็นปั๊บมันก็แล้วไปออกนี้ไปจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งโล่งสบายมีความภาคภูมิอบภาคภูมิใจเห็นบอกเห็นใจตัวนี้ก็โอ้ยอบุญวัฒนาบรรไดเม่นี่เกิดขึ้นมานี่ยมันมัพิงเห็นนี่ยเนาะ ถ้าเราไม่มาแบบนี้เราจะไม่เห็นเลยตกทุกข์ได้ยากจนตลอดตายไปเกิดแ้าใดแท้ใดมันก็จะมาเป็นหนูอย่างนี้แหละตาอย่างนั้นแล้วก็พวกเราให้พยายามอย่าชื่อเกียรติแต่ข้าน่วงนอนพอนอนคอยอดเอาอมเอามันเป็นอย่างนั้นแหละของ ที่อยู่กับเราเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นพอเราเห็นแล้วเราก็อย่าไปตีพลตีภัยมันหาวิธีแก้ตัวของเราไม่ว่ามันไม่ดีแต่มันก็เป็นหมือนกันหมดทุกอันนั่นแหละถ้าเราไม่รู้่มันก็เป็นความทุกข์ไปหมดถ้าอันดีมันก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งไอ้ความไม่ดีมันก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้ง้อยู่ไปมันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่นั่นแต่ว่าเราไม่รู้จัก เขาเมืจากว่าดูเห็นสบายดีอกดีใจอยากจะให้มันเป็นอยู่นั่นไปตลอดไม่อยากอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็ไปบังคับก็จะไปอยู่กับมันไปเพ่งไปจ้องไปเดินไปก็กลัวมันจะหนีไม่รว่าไม่นจะไม่อยู่อย่างเดิมก็ไปอยู่กับมันไปแล้วก็ยิ่งไปเยื่อไปถ้ามันมัน ไปทางผิดทางออกไปแล้วนั่นน่ะถ้าเราเห็นแล้วแล้วไปเออมันเป็นอย่างนี้เองเห็นแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปว่ามันเราต้องหาวิธีแก้มิรเนี่ยที่เรามาศึกษานี่สิ่งใดก็เกิดขึ้นก็ต้องมาอาศัยกายกับใจของเราเนี่ยกายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้กายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้เล่นๆไปเออตัวแดงออกไปว่ไม่ไม่ต้องไปเสียดายมัน มันเป็นอย่างนั้นเองให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นเอาไปเอามาเอาไปเอามาเราก็ค่อยเคยคุ้นเคยกันเข้าเคยคุ้นเคยเข้าคุ้นเคยเข้ามันก็ค่อยสบายไปสบายไปเห็นมันเกิดขึ้นมาเมื่อใดเราดูแล้วก็เมื่อก็้แล้วไปเราไม่ได้ไปอยู่กับมันเรามาอยู่กับตัวความรู้สึกของเราเนี่ยดูความรู้สึกมันก็ แล้วไปแล้วก็ตอนไหนเข้ามาก็ให้มันเป็นทางผ่านให้หมดเราก็เฉยอยู่และมองเห็นเรวก็แลวไปดูแล้วก็แลวไปไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่มีสิ่งที่จะเที่ยงดอกในโลกนี่มีแต่ของทิฏฐิทงที่เปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่เราจะมาทำให้มันรู้สึกชีวิตจิตใจของเรามันไปไหนมาไหนให้เราเข้าใจ นั่นแหละนานนานมานานมานี่ก็อยากดูความคิดน้นก็ด้านมันจึงจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็ไม่แล้วไปไม่มีเรื่องอะไรเลยของพ่อเนี่ยคนปัญญาหน่อยเอาต้องอะไรจะเกิดนี่คำพูดจะพูดให้ชาชาาอย่างที่ครูวาจารย์ท่านพรูนั่นก็คงไม่เป็นไปได้ มีตั้งแต่ว่าพูดตามภาษาตัวเองรู้อย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละเพราว่าได้ไปเรียนเป็นนักธรรมแล้วก็ได้เรียนเหมือนกันได้ต่างแๆเป็นเนีนแ้มันก็ลืมไปแล้วก็มาบวชก็ไม่ได้เรียนหลวงพ่อไม่ให้อ่านหนังสือธรรมะเขามาจะไปอ่านทัานก็ไม่ให้อ่านถามว่าทำไมหลวงพ่อจึงไม่ให้อ่านมันจะไปเดาเอาเองแหละถ้ามันเกียมแน่ว ท่านวางในจึ้งของท่านนั่นแหละถ้าเราเรียนธรรมะเนี่ยเราไปอ่านไปอ่านที่เราสอบา ม, มาทำมาแล้วก็ไปกะก ะ, กะเอาเน่ยกะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เอาไปนี่นี่ต่อเอาเองอก็เอ า, เาแค่นั้นแหละบวชใหม่ๆเข้ามานี่ก็ไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้อย่างที่ปกติทำจะได้ แต่ตัวคนได้ความทันใดของมรู้ตัวแล้วก็มีได้หลายอย่างอยู่ในที่มันออกที่มันมันเข้าใจเข้าใจแต่มันมันมาเดาเอาอ่ะมันไม่รู้จักแต่ว่าพอมันรู้จักแล้วมันเกิดอาการเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเนี่ยเ่ยความรักความทั้งความพอใจความไม่พอใจความคิดอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราเห็น เห็นเนี่ยเก็มีความสามารถที่จะเห็นมันมันก็เห็นเห็นแล้วก็สามารถจะออกจากความคิดหรือความทุกข์ทุกอย่างได้เนี่ยหลายครั้งหลายคราวเขาก็ดีเข้าดีเข้าโอเล่สบายอกสบายใจนเดินไปจะได้แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เห็นเห็นแล้วเมื่อกลาแล้วไปเห็นแล้วก็สุดไป ทำอะไรก็ทําด้วยคิดว่างไม่ไม่เอาอะไรมาเป็นที่ยึดมั่นมั่นถือมั่นเลยเห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปเฉยๆนั่นแหละโย่เราพยายามทําให้มันเป็นอย่าไปเชื่อตัวเองนั่นแหละมันเกิดมาแล้วก็เป็นผู้รู้เฉยๆอย่าเป็นผู้เป็นให้เราเข้าใจไม่มีใครจะมาทําให้เราได้หรอก จะไปทําเผื่อคนอื่นก็ไม่ได้พ่อแม่จะทําให้เราก็ไม่ได้เราไปทําให้พ่อแม่ก็ไม่ได้จะซื้อเป็นเงินเป็นทองก็ไม่ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นมากใหญ่มันเสียเวลาที่เกิดมาคนไม่รู้ถึงนี่ก็เกิดมาเล่นเกิดมาหาอยู่หาจินเหมือนวัวเหมือนควายแล้วนี่แหละเนีเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปเนีตายไปแล้วก็ไปใช้กรรมเขากินโตโตักินเขา ท่านนี้เราจริงเขาต่อไปมากเขาเราก็จะไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นเราก็กินตัวเขาเขาก็ดะมากินเรานี่เองมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่แหละถ้าคนไหนไม่ได้ออกจากย่งมนุษย์เป็นยังเป็นคนอยู่เนี่ยเอาอาออกยังคนยังไม่ได้นะขอโทษออกเป็นคนยังไม่ได้ยังเป็นสัตว์อยู่แล้วเนี่ยหน้าตาบงคนในจิตใจมันเป็นมดทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างมันรักมันทางมันอิทธามันพยาบาท มันจองร่างจองผันกันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นคนเรานพวกที่เป็นตัดมันจะแค่กันอยู่นั่นแหละใครจะได้ดีกว่ามันมันก็ไม่ได้ต้องให้มันดีกว่าเขามันดังกว่าเขามันมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าเราสร้างเนี่ยเราถ้าเราไม่มาแบบนี้เราจะไม่เห็นเลย พอเห็นแล้วนี่เห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษยังได้เราจะออกจากสิ่งนี้ได้เราก็ต้องอตสาวพยายามทุกอย่างลำบากก็อตสาวเอาหลวงพ่อไม่กล้าไม่กล้าสิกบวดมาพอเห็นรูปพระน้ำแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยยังไม่เห็นรูปพระน้ำเนี่ยเรายังไม่ยังเป็นตัดอูเหมือนเดิมเนี่เป็นพระก็เป็นตัดอูยังอิจฉ้ายังพยาบาทกันอยู่ไม่เทงแท้แน่นอน เนี่ยพอมารู้แล้วพอมันเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยกูนี่อันนี้กูก็เป็นแล้วเนีพอมันเกิดขึ้นมาอีกอันนี้กูก็เป็นแล้วเนี่ยกูจักว่าเป็นเป็นหลายอย่างแล้วคนเลยมา ก, าากมาล้าท้าศึกเมื่อไรก็ลงไปนั่นแหละลงไปที่เราคิดไวนะ้นั่นแะแต่ตัวนี้แหละตัวเกิดนี่แหละเกิดเนี่ยคือคยความคิดนดั่นแหละมันพาไปเกิด มันเกิดตั้งแต่เรายังไม่ตายน่ะไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี่สารพัดจังนั้นมันจะคิดไปเนี่ยตอนใจขาดเนี่ยมันก็จะไปคิดเห็นเรื่องนั้นแน่ละเรื่องที่เราเห็นไว้แล้วน่ะมันเคยไปแล้วเถ้าเราจิตจิตจิตใจของเรานี่ยมันจิตในสิ่งใดอ่ะมันติดในสิ่งไห น, น, นมันก็ต้องไปหาสิ่งนั้นเพราะยังให้เราหาวิธีวางปล่อยให้ได้ตอนที่เราเป็นคนเนี่ยเี่ยเราเป็นคนนี่มันเป็นไปร้อยแปดถ้าเป็นมนุษย์เนี่ย มันก็รู้จักพ่ตัวเองเป็นมนุษย์มันรู้จักมนุษอนผ่อนผันไม่ถือเนื้อถือตัวไม่มีมมันนัทิฐิตีเนื้อถือตัวเขาว่าแล้วก็ได้ลดด่วนผ่อนผันไปให้อาการของที่มันเป็นนั้นได้มันก็เบาไปมันมันเป็นนั้นอย่างตอนนี้ยังเป็นพวก แต่เดินผ่านพวกพัฒนโลกพวกเปรตพวกอัตโรกายอยู่นี่มันบ่มอยู่เนี่มันออกจากนี้ยากนะพวกเราอนอนแค่จนนั่นแหละกลางคืนนอนฝันหนึ่วันนั่งคิดอะไรพึดตั้งแต่เรื่องนี้แหละเรื่องอยูเราทําอยู่ยังไงเปยังไม่มาปฏิบัตินะมันเคยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เราเ อ, อย่าประมาทอย่าใจตามใจตัเอง ดีมามาเห็นแล้วอย่าปล่อยละวางให้มันไปโดยใช้ประโยชน์ไม่ได้เกิดมาเป็นทุนู่นนดีมากที่ตุดที่มาทางสายนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังมาล่พอพูดมานี่ก่สนสมควญเจรลายุติดอเพียงตรงนี้เอวังก็มีโวการเจนี